ด้วยอำนาจแห่งสตินสีในสติปฐานสีพึงเห็นความประพฤติแห่งอินสีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างเป็นอย่างไรเพื่อพึงเห็นความประพฤติแห่งสตินสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความตั้งมั่นในสติปฐานคือการพิจารณาเห็นกายในกายและด้วยอำนาจแห่งสตินสีพึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นความประพฤติแห่งปัญ hmm ญีส mm ีเพราะมีสภาวะเห็นพึงเห็นความประพฤติแห่งสตินีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินรีย์เพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความตั้งมั่นในสติปัฏฐานคือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความตั้งมั่นในสติปัฏฐานผือการพิจารณาเห็นจิตในจิตพึงเห็นความประพฤติแห่งสตินีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความตั้งมั่นในสติปัฏฐานผือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายและด้วยอำนาจแห่งสตินีพึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินีเพราะมีสภาวะประคองไว ด้วยอำนาจแห่งสตินสีในสติปฐานสีพึงเห็นความประพฤติแห่งอินรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิน4ีในฌานสีพึงเห็นความประพฤติแห่งอินรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างเป็นอย่างไรเคยพึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความไม่ฟุ้งซ่านในปฐมฌานและด้วยอำนาจแห่งสมาธินสี พึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญินทรีเพราะมีสภาวะเห็นพึงเห็นความประพฤติแห่งสัจทินทรีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินทรีย์เพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินทรี์เพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินทรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความม่ฟุ้งซ่านในทุติยชาญพึงเห็นความประพฤติ แห่งสมาธินีเพราะมิสภาวะเป็นใหญ่ในความเม่ฟุ้งซ่านในตติยะฌานพึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินีเพราะมิสภาวะเป็นใหญ่ในความไม่ฟุ้งซ่านในจัตุทัชฌานพึงเห็นความประพฤติแห่งสตินีเพราะมิสภาวะตั้งมั่นด้วยอำนาจแห่งสมาธินีในฌานสี่พึงเห็นความประรพฤติหแห่งอินรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างนี้ ด้วยอำนาจแห่งปัญญีสีในอริยสัจสพึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างเป็นอย่างไรเคื่อพึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญิีสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการเห็นอริยสัจเพือทุกข์และด้วยอำนาจแห่งปัญญี 4, ส, 4, พสยยีพึงเห็นความประพฤติแห่งสัตถินรี 4, เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินสีเพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญินีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความเห็นอริยสัจคือทุกขะสมุทัยพึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญินีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความเห็นอริยสัจคือทุกขนิโรธ พึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญีสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความเห็นอริยสัจเคือทุกขนิโรธาคาไม่มีปฏิปทาและด้วยอำนาจแห่งปัญญีสีพึงเห็นความประพฤติแห่งสตินีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยนีสีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินีีเพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นความประพฤติแห่งสมาทิน4เพราะมีสภาวะไม่ฟุง้งซ่านด้วยอำนาจแห่งปัญญินีในอริยสัจสีพึงเห็นความประพฤติแห่งอินีห้าด้วยอาการยี่สิบอย่างนี้จาระวิหารนิเทศแสดงความประพฤติและความเป็นอยู่ความประพฤติและความเป็นอยู่เป็นอันตรสรู้แล้วรู้แจ้งแล้วเหมือนอย่างจหพรมจารีผู้รู้แจ้งมั่นใจบุคคล ตามที่ประพฤติตามที่เป็นอยู่ในฐานะที่ลึกซึ้งว่าท่านผู้นี้บรรลุแล้วหรือว่าจะบรรลุแน่คำว่าความประพฤติอธิบายว่าความประพฤติแปดอย่างได้แก่หนึ่งความประพฤติในอิรยิยาบถสองความประพฤติในอายตนะสความประพฤติในสติสความประพฤติในสมาธิหความประพฤติในญาณ 6. ความประพฤตในมรรค 7. ความประพฤตในผล 8. ความประพฤตเพื่อประโยชน์แก่โลกคาว่าความประพฤตในอิริยาบทได้แก่ความประพฤตในอิริยบทสีคาว่าความประพฤตในอยจตนะได้แก่ความประพฤตในอิจตนะภายในและอิจตนะภายนอกอย่างละหกคาว่าความประพฤตในสติได้แก่ ความประพฤติในสติปัฏฐานสี่คำว่าความประพฤติ <Mango> ในสมาธิได้แก่ความประพฤติในฌานสีคำว่าความประพฤติในญาณได้แก่ความประพฤติในอริยสัจสี่ <es> คำว่าความประพฤติในมรรคได้แก่ความประพฤติในอริยมรรคสี่คำว่าความประพฤติในผลได้แก่ความประพฤติในสามัญญผลสี คำว่าความประพฤติเพื่อประโยชน์แก่โลกได้แก่ความประพฤติในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความประพฤติในพระปัเจกพระพุทธเจ้าบางส่วนความประพฤติในพระสาวกบางส่วนความประพฤติในอิริยาบทมีแค่ผู้ตั้งตนไว้ชอบความประพฤติในอายตนะมีแค่ผู้สำรวมอินทรีย์ความประพฤติในสติมีแก่ผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทความประพฤติในสมาธิ มีแก่ผู้ขนขวายในอธิจิตความประพฤติในญาณมีแก่ผู้บรรลุปัญญาเครื่องตรัสรู้ความประพฤติในมัจมีแก่ผู้ปฏิบัติชอบความประพฤติในผลมีแก่ผู้ได้บรรลุผลและความประพฤติเพื่อประโยชน์แก่โลกมีแก่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปจเจ ก, กพุทธเจ้าบางส่วนพระสาวกบางส่วนเหล่านี้ชื่อว่าความประพฤติแปดอย่าง อีกในหนึ่งความประพฤติแปดอย่างคือหนึ่งเมื่อน้อมใจเชื่อชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยศรัทธาสองเมื่อประคองใจชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยวิริยะสเมื่อตั้งจิตมั่นชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยสติสเมื่อทำความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยสมาธิหเมื่อรู้ชัดชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยปัญญาห เมื่อรู้แจ้งชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยวิญญาณเจ็เมื่อมนัสิการว่าผู้สมธรรมทั้งหลายย่อมดำเนินไปแก่ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยความประพฤติในอายตนะแปเมื่อมนัสิการว่าผู้ปฏ um ิบัติอย่างนี้ย <Q> ่อมบรรลุค <replaces WrestleMania> ุณวิเศษชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยความประพฤติด้วยคุณวิเศษเหล่านี้ชื่อว่าความประพฤตแปดอย่าง อีกในหนึ่งความประพฤติแปดอย่างคือหนึ่งความประพฤติสัมมาทิฏฐิชื่อว่าทัศนจริยาความประพฤติด้วยความเห็น 2. ความประพฤติสัมมาสังกัปปะชื่อว่าอภินิโรปนจริยาความประพฤติด้วยการปลูกฝังความดําริ 3. ความประพฤติสัมมาวาจาชื่อว่าปริคหะจริยาความประพฤติด้วยการกําหนดสํารวมวจีสอย่าง สความประพฤติสัมมากัมมันตะชื่อว่าสมุ passionate passionate. ทฐานะจริยาความประพฤติด้วยความหมัน 5. ความประพฤติสัมมา อ, อมมาชีวะชื่อว่าโวธานะจริยาความประพฤติด้วยความผ่องแผ้วหความประพฤติสัมมาวายามะชื่อว่าปัจขะจริยาความประพฤติด้วยการประคองความเพียร 7. ความประพฤติสัมมาสติชื่อว่า อุปทานะจริยาความประพฤติเลือกการเข้าไปตั้งสติแปดความประพฤติสัมมาสมาธิชื่อว่าอาวิสเสปจริยาความประพฤติเ้ือความไม่ฟุง้งซ่านเหล่านี้ชื่อว่าความประพฤติแปดอย่างคำว่าความเป็นอยู่อธิบายว่าบุคคลผู้น้อมใจเชื่อย่อมอยู่ด้วยศรัทธาผู้ประคองไว้ย่อมอยู่ด้วยความเพียร ผู้ตั้งมั่นย่อมอยู่ด้วยสติผู้ทำความไม่ฟุ้งซ่านย่อมอยู่ด้วยสมาธิผู้รู้ชัดย่อมอยู่ด้วยปัญญาคำว่าตรัสรู้แล้วอธิบายว่าสภาวะที่น้อมใจเชื่อแห่งสัจทินสี่เป็นอันตรัสรู้แล้วสภาวะที่ประคองไว้แห่งวิริยินสี่เป็นอันตรัสรู้แล้วสภาวะที่ตั้งมั่นแห่งสตินสี่เป็นอันตรัสรู้แล้ว สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมาธินีเป็นอันตรัสรู้แล้วสภาวะที่เห็นแห่งปัญญีนีเป็นอันตรัสรู้แล้วคำว่ารู้แจ้งแล้วอธิบายว่าสภาวะที่น้อมใจเชื่อแห่งสัจทินีเป็นอันรู้แจ้งแล้วสภาวะที่ประคองไว้แห่งเวรินีเป็นอันรู้แจ้งแล้วสภาวะที่ตั้งมั่นแห่งสตินีเป็นอันรู้แจ้งแล้ว สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมาธินี่เป็นอันรู้แจ้งแล้วสภาวะที่เห็นแห่งปัญญินี่เป็นอันรู้แจ้งแล้วคําว่าตามที่ประพฤต์อธิบายว่าประพฤต์ด้วยศรัทธาอย่างนี้ประพฤต์ด้วยความเพียรอย่างนี้ประพฤต์ด้วยสติอย่างนี้ประพฤต์ด้วยสมาธิอย่างนี้ประพฤต์ด้วยปัญญาอย่างนี้คาว่าตามที่เป็นอยู่ อธิบายว่าเป็นอยู่ด้วยศรัทธาอย่างนี้เป็นอยู่ด้วยความเพียรอย่างนี้เป็นอยู่ด้วยสติอย่างนี้เป็นอยู่ด้วยสมาธิอย่างนี้เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างนี้คำว่าผู้รู้แจ้งอธิบายว่าผู้รู้แจง้งผู้มีปัญญาแจ่มแจง้งผู้มีปัญญาทาลายกิเลสผู้เป็นบัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเครื่องตัดสรุปคว่า สัพโรมจารีอธิบายว่าผู้ที่มีกรรมอย่างเดียวกันมีอุเทศอย่างเดียวกันมีสิกขาเสมอกันคําว่าในฐานะที่ลึกซึง้งอธิบายว่าฌานวิโมกสมาธิสมาบัติมัคผลอภิญญาและปฏิสัมพิทาท่านกล่าวว่าเป็นฐานะที่ลึกซึง้งคําว่ามั่นใจได้แก่พึงเชื่อคือพึง น, น้อมไป คำว่าแน่นี้เป็นคำกล่าวโดยในเดียวเป็นคำกล่าวโดยไม่สงสัยเป็นคำกล่าวโดยไม่เคลือบแคลงเป็นคำกล่าวโดยไม่เป็นสองในเป็นคำกล่าวโดยไม่เป็นสองอย่างเป็นคำกล่าวโดยรับกลุ่มเป็นคำกล่าวโดยไม่ผิดคำว่าแน่นี้เป็นคำกล่าวที่กำหนดไว้แน่นอนคำว่าท่านนี้เป็นคำกล่าว้วยความรักเป็นคำกล่าวโดยความเคารพ คำว่าท่านนี้เป็นคํากล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงคําว่าบรรลุแล้วได้แก่ถึงแล้วคําว่าหรือว่าจากบรรลุได้แก่หรือว่าจากถึงสุดตันตะนิเทศที่สามจบสี่เจตุทะสุดตันตะนิเทศแสดงสูตรที่สี่เหตุเกิดขึ้นเหมือนในสูตรข้างต้นภิกษุทั้งหลาย อินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัตทินสีสองวิริยินรีสามตุินสีส่สมาทนินสีหปัญญินรีภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้แหลอินทรีห้าประการนี้พึงเห็นด้วยอาการเท่าไรเพราะมีสภาวะอย่างไรคืออินทรีห้าประการนี้พึงเห็นด้วยอาการหอย่าง เพราะมีสภาวะอย่างนี้คือพึงเห็นเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่เพราะมีสภาวะเป็นเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นให้หมดจดเพราะมีสภาวะมีประมาณยิ่งเพราะมีสภาวะตั้งมั่นเพราะมีสภาวะทําให้สิ้นไปเพราะมีสภาวะให้ตั้งอยู่ งเลบหนึ่งอาิตยยัถนิเทศแสดงสภาวะเป็นใหญ่พึงเห็นอินทรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่เป็นอย่างไรคือพึงเห็นสัจทินทรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความน้อมใจเชื่อแห่งบุคคลผู้ละความไม่มีศรัทธาและด้วยอำนาจแห่งสัจทินทรีพึงเห็นวิริยินทรีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นสัินทรีเพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นปัญญินีเพราะมีสภาวะเห็นพึงเห็นวิริยินีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการประคองไว้แห่งบุคคลผู้ละความเกียรคร้านและด้วยอำนาจแห่งวิริยินีพึงเห็นจตินีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นสมาธินีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นปัญญินีเพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นสติ น, นีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นสติ น, นีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความตั้งมั่นแห่งบุคคลผู้ละความประมาทและด้วยอำนาจแห่งสติ น, นี 4, พึงเห็นสมาธินีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นปัญญินีเพราะมีสภา ว, วะเห็ น, หาานพึงเห็นสตินีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นวิริยินีเพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นสมาธินีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความไม่ฟุ้งซ่านแห่งบุคคลผู้ละอุทจะและด้วยอำนาจแห่งสมาธินีพึงเห็นปัญญินีเพราะมีสภาวะเห็นพึงเห็นสัจทินีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นวิริยนินีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นสตินีเพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นปัญญีสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการเห็นแห่งบุคคลผู้ละอวิชาและด้วยอำนาจแห่งปัญญีสีพึงเห็นจัตินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นวิรีสีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นจตินสีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นสมาธิสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นสัตทินรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความน้อมใจเชื่อด้วยอำนาจแห่งเนคขมมะของบุคคลผู้ละกามฉันทะและด้วยมหน้าแห่งสัตทินสีพึงเห็นวิรยนสีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นสัตทินรีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นสมาทินสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นปัญญสีเพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นว <sesi> ิริยินรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการประคองไว้ด้วยอำนาจแห่งเนี่ขัมมะของบุคคลผู้ละกามชันทะและด้วยอำนาจแห่งวิริยินสีพึงเห็นสตินสีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นสมาธินสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นปัญญินสีเพราะมีสภาวะเห็นพึงเห็นสัจทินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ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 พึงเห็นสมาธินีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความไม่ฟุ้งซ่านโดยอำนาจแห่งเนคขมมะของบุคคลผู้ละกลามชันทะและ้ดยอำนาจแห่งสมาธินีพึงเห็นปัญญีเพราะมีสภาวะเห็นพึงเห็นสัจธินีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นวิริี $4 เพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นสตินีเพราะมีสภาวะตั้งม exactly ั่น พึงเห็นปัญญีสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความเห็นด้วยอำนาจแห่งเนี่ยขัมมะของบุคคลผู้ละกามฉันทะและด้วยอำนาจแห่งปัญญีสีพึงเห็นสัจทินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นเวรีสีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นสตินสีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นสมาธินสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นสัจทินสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความน้อมใจเชื่อด้วยอำนาจแห่งอภพยาบาทของบุคคลผู้ละอยาบาทด้วยอำนาจแห่งอาโลกสัญญาของบุคคลผู้ละถีนมิทะด้วยอำนาจแห่งอรหัตธรรมคของบุคคลผู้ละกิเลทั้งปวงและด้วยอำนาจแห่งสัตทินสีพึงเห็นวุรียินสีเพราะมีสภาวะประคองไว้พึงเห็นสัินสีเพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธิสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้ง <aroma> ซ่านพึงเห็นปัญญสีเพราะมีสภาวะเห็นพึงเห็นปัญญสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการเห็น้วยอำนาจแห่งอรหัตมรรมของบุคคลผู้ละกิเลสทั้งปวงและด้วยอำนาจแห่งปัญญสีพึงเห็นสัจธินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อพึงเห็นเวรีสีเพราะมีสภาวะประคองไว พึงเห็นสติงสี sy, เพราะมีสภาวะตั้งมั่นพึงเห็นสมาธินสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านพึงเห็นอินสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่อย่างนี้วงเล็บสองอาทิวิโสธนัตทนิเทศแสดงสภาวะเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นให้หมดจดพึงเห็นอินสีเพราะมีสภาวะเป็นเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นให้หมดจด เป็นอย่างไรคือชื่อว่าสัตทินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อชื่อว่าสีลวิสุทธิเพราะมีสภาวะระวังความไม่มีศรัทธาเป็นเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งสัตทินสีให้หมดจดชื่อว่าวิริยินสีเพราะมีสภาวะประคองไว้ชื่อว่าสีลวิสุทธิเพราะมีสภาวะระวังความเกียดคร้าน เป็นเครื่องชัมระศีนที่เป็นเบื้องต้นแห่งวิริยศีให้หมดจดชื่อว่าสติินรีเพราะมีสภาวะตั้งมั่น so ชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีสภาวะระวังความประมาทเป็นเครื่องชัมระศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งสติินรีให้หมดจดชื่อว่าสมาธินรีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีสภาวะระวังอุทจจะ เป็นเครื่องชัมระศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งสมาธิสีให้หมดจดชื่อว่าปัญญรีเพราะมีสภาวะเห็นชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีสภาวะระวังอวิชชาเป็นเครื่องชัมระศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งปัญญรีให้หมดจดอินรีห้าในเนี่ยขัมมะชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีสภาวะระวังกามาชันทะ เป็นเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งอินทรีห้าให้หมดจดอินทรีห้าในอภยาบาทชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีสภาวะระวังพยาบาทเป็นเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งอินทรีห้าให้หมดจดอินทรีห้าในอรหัตมัก zek, ชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีสภาวะระวังกิเลสทั้งปวงเป็นเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งอินทรีห้าให้หมดจด พึ่งเห็นอินทรีย์เพราะมีสภาวะเป็นเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นให้หมดจดอย่างนี้วงเล็บสามอธิมัตัตถานิเทศแสดงสภาวะมีประมาณยิ่งพึ่งเห็นอินทรีย์เพราะมีสภาวะมีประมาณยิ่งเป็นอย่างไรคือเพราะเริญจัดทินซีฉันทะจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจฉันทะปามุช u a จึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจปามุ t u ด้วยอำนาจศรัทธาสรัทธินีจึงมีประมาณยิ่งด้วยอำนาจปามุเชปีติจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจปีติด้วยอำนาจศรัทธาสัทธิน flux, ha, ีจึงมีประมาณยิ <hey> ่งด้วยอำนาจปีติปัสสติจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจปัสสติด้วยอำนาจศรัทธาสัทธินีจึงมีประมาณยิ่งด้วยอำนาจปัสสติสุขจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจสุข ด้วยอำนาจศรัทธาสศตินีจึงมีประมาณยิ่งด้วยอำนาจสุขโอภาษจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจโอภาษด้วยอำนาจศรัทธาสศตินรีจึงมีประมาณยิ่งด้วยอำนาจโอภาษความสังเวชจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจความสังเวชด้วยอำนาจศรัทธาสศตินรีจึงมีประมาณยิ่งจิตสังเวชแล้วย่อมตั้งมั่นด้วยอำนาจสมาธิ ด้วยอำนาจศรัทธาสัจฉิน <If S 1> สีจึงม <anak> ีประมาณยิ่งจิตตั้งมั่นอย่างนั้นแล้วย่อมประคองไว้ดีด้วยอำนาจการประคองไว้ด้วยอำนาจศรัทธาสัจฉินสีจึงมีประมาณยิ่งจิตประคองไว้แล้วอย่างนั้นย่อมวางเฉยดีด้วยอำนาจอุเบกขาด้วยอำนาจศรัทธาสัจฉินสีจึงมีประมาณยิ่งด้วยอำนาจอุเบกขา จิตจึงหลุดพ้นจากกิเลสที่มีสภาวะต่างๆด้วยอํานาจความหลุดพ้นด้วยอํานาจศรัทธาสัจทินสีจึงมีประมาณยิ่งเพราะจิตหลุดพ้นแล้วทำเหล่านั้นจึงมีรสเป็นอย่างเดียวกันเพราะมีความหมายว่าทำทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอํานาจภาวนาด้วยอํานาจศรัทธาสัจทินสีจึงมีประมาณยิ่งเพราะเป็นธรรมที่เจริญแล้ว ทาเหล่านั้นจึงหล ah ีกออกจากธรรมนั้นไปสู่ธรรมที่ประนีตกว่าด้วยอำนาจความหลีกออกด้วยอำนาจศรัทธาสัททินสีจึงมีประมาณยิ่งเพราะหลีกออกแล้วฉะนั้นบุคคลจึงสละกิเลสและขันได้ด้วยอำนาจความสละด้วยอำนาจศรัทธาสัททินสีจึงมีประมาณยิ่งเพราะสละแล้วฉะนั้นกิเลสและขันจึงดับด้วยอำนาจความดับ ด้วยอำนาจศรัทธาสัถินรียจึงมีประมาณยิ่งความสละเพื่ออำนาจความดับมีสองประการคือหนึ่งความสละด้วยการบริจาค2ความสละด้วยความแล่นไปชื่อว่าความสละด้วยการบริจาคเพราะสละกิเลสและขันธ์ชื่อว่าความสละด้วยความแล่นไปเพราะจิตแล่นไปในนิพพานธาตุที่เป็นความดับ ความสละด้วยอำนาจความดับมีสองประการนี้เพราะละความไม่มีศรัทธาฉันทะจึงเกิดขึ้นเพราะละความเร่าร้อนเพราะความไม่มีศรัทธาฉันทะจึงเกิดขึ้นเพราะละกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทะะิฏฐิฉันทะจึงเกิดขึ้นเพราะละกิเลสส่วนที่อยากฉันทะจึงเกิดขึ้นเพราะละกิเลสส่วนที่ละเอียดฉันทะจึงเกิดขึ้น เพราะละกิเลสทั้งปวงฉันทะจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจศรัทธาด้วยอำนาจฉันทะสัตินีจึงมีประมาณยิ่งเพราะเจริญวิริยินรีฉันทะจึงเกิดขึ้นเพราะละความเกียรตคร้านฉันทะจึงเกิดขึ้นเพราะละความเร่าร้อนเพราะความเกียรตคร้านฉันทะจึงเกิดขึ้นเพราะเจริญสตินรีฉันทะจึงเกิดขึ้นเพราะละความประมาทฉันทะจึงเกิดขึ้น เพราะละความเร่าร้อนเพราะความประมาทฉันทะจึงเกิดขึ้นเพราะเจริญสมาธินีฉันทะจึงเกิดขึ้นเพราะละอุทัจฉันทะจึงเกิดขึ้นเพราะละความเร่าร้อนเพราะอุทัจะฉันทะจึงเกิดขึ้นเพราะเจริญปัญญีฉันทะจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจฉันทะปามุชชะจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจปามุชชะด้วยอำนาจปัญญา ปัญญิีสี จ, จึงมีประมาณยิง่งด้วยอำนาจปามุมชะปีติจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจปีติด้วยอำนาจปัญญาปัญญิีสี จ, จึงมีประมาณยิงยมมย่งด้วยอำนาจปีติปัสสติจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจปัสสติด้วยอำนาจปัญญาปัญญิีสีจึงมีประมาณยิง่ง ด, ด, ด้วยอำนาจปัสสติสุขจึงเกิดข <dots> ึ้นด้วยอำนาจสุขด้วยอำนาจปัญญา ปัญญียจึงมีประมาณยิ่งด้วยอำนาจสุขโอภาสจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจโอภาสด้วยอำนาจปัญญาปัญญินรียจึงมีประมาณยิ่งด้วยอำนาจโอภาสความสังเวชจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจความสังเวชด้วยอำนาจปัญญาปัญญียจึงมีประมาณยิ่งจิตสังเวชแล้วย่อมตั้งมั่นด้วยอำนาจสมาธิด้วยอำนาจปัญญา ปัญญีนีจึงมีประมาณยิ่งจิตตั้งมั่นแล้วอย่างนี้ย่อมประคองไว้ดีด้วยอำนาจการประคองไว้ด้วยอำนาจปัญญาปัญญินรียจึงมีประมาณยิ่งจิตที่ประคองไว้แล้วอย่างนั้นย่อมวางเฉยดีด้วยอำนาจอุเบกขาด้วยอำนาจปัญญาปัญญินรียจึงมีประมาณยิ่งด้วยอำนาจอุเบกขาจิตจึงหลุดพ้นจากกิเลสที่มีสภาวะต่างๆ ด้วยอำนาจความหลุดพ้นด้วยอำนาจปาัญญาปัญญิีสีจึงมีประมาณยิ่งเพราะจิตหลุดพ้นแล้วทมเหล่านั้นจึงมีรสเป็นอย่างเดียวกันเพราะมีความหมายว่าทมทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจภาวนาด้วยอำนาจปัญญาปัญญิีสีจึงมีประมาณยิ่งเพราะเป็นธรรมที่เจริญแล้วทำเหล่านั้นจึงหลีกออกจากธรรมนั้นไปสู่ธรรมที่ประนีตกว่า ด้วยอำนาจความหลีกออกด้วยอำนาจปัญญาปัญญิ i, ี Scotland, สี จ, ส จ, ญญญญ i, จึงมีประมาณยิ่งเพราะหลีกออกแล้วบุคคลจึงสละกิเลสและขันได้ด้วยอำนาจความสละด้วยอำนาจปัญญาปัญญิีสีจึงมีประมาณยิ่งเพราะสละแล้วฉะนั้นกิเลสและขันจึงดับด้วยอำนาจความดับด้วยอำนาจปัญญาปัญญีสีญญจึงมีประมาณยิ่ง ความสละด้วยอำนาจความดับมีสองประการคือหนึ่งความสละด้วยการบริจาคสองความสละด้วยความเล่นไปชื่อว่าความสละด้วยการบริจาคเพราะสละกิเลสและขันธ์ชื่อว่าความสละด้วยความเล่นไปเพราะจิตเล่นไปในนิพพานธาตุที่เป็นความดับความสละด้วยอำนาจความดับมีสองประการนี้ พึงเห็นอินทรีย์เพราะมีสภาวะมีประมาณยิ่งอย่างนี้ทุติยภานวารจบ